ออกพรรษาก็ให้เรียนคาออกพรรษาคำประวรณาถ้าองค์ไหนที่เป็นพระเกา่าแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็ให้ทบทวนให้ทบทวน้ครว่าเตรียมพร้อมไม่ใช่กับวันนั้นนะกัพูดกระตุกกรตักะตักกระตุกไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจถึงจะเป็นพระเกา่าก็เถอะหน้าตาหนิถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้น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 อันนั้นก็เสียหายได้แต่ถึงยังไงก็นะให้ตรวจตราดูตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิงกว่าตัวของเราแนวความคิดของเราการกระทําของเราการพูดของเราเรานั่นรู้ยิ่งกว่าใครอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อเราทําสิ่งที่มันไม่ดี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 วางไว้ก่อนนี่แหละอันนี้พวกเราถ้ารู้จักการปรับปรุงตัวปรับทรุงกายใจของเราอยู่ให้ถูกต้องแล้วตรวงพ่อเองเขามั่นใจว่าพระของเราจะอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจน่แหละอันนี้ก็คือการปรับปฏิบัติตน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 ไม่ใช่หลงอื่นหรอกออหลงภายนอกมันอีกมันเป็นกระแสของมันอันดับแรกหนึ่งคือใจหลงใจก่อนออใจมันหลงใจใจไม่ได้คิดใจไม่ได้อ่านใจไม่ได้ใช้ใช้สติปัญญาถ้าใจพอ ร, รู้ตัวเองแล้จะหนข้าเป็นใครจากนั้นก็พิจารนากายอะไระหนึ่งออร่างกายของเราเนี่ยเกษาผมโลมาขนราคาเล็บทันตาฟันตะโจนัง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 ลวงตาท่านบอกเหมือนกับคลาดนานคลาดแล้วคลาดอีคลาดแล้วคลาดอีดดอจนขี้ไถมูลไถ่แตกกระจุยกระจายละเอียด เ, เราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกย้ำแล้วย้ำอีกการกลองแล้วการก้องอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกให้เห็นชัดเจนเมื่อเราเห็นชัดใจของเราก็เข้าสู่ความสงบไม่ยึดมั่นถือมั่นละ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 <c oughs> จะเข้ามาทางกายากามาราคะอย่างนีอยเราก็เห็นเขาก็รู้หน้ามันเอมันมามืนกัใจเข้าไปปุกอไปกระตุ้นร่างกายเกิดกิเลสโทสะขึ้นมาอเข้าไปกระตุ้นร่างกายร่างกายกบบตาเขียวอดุดาว่ากาวคนได้เพราะอะไรเพราะกิเลสอยู่ในใจของเราอปรุงขึ้นมาแล้วแต่นนะ ออกแสดงออกทางกายทางวาจาอไม่ที่แร ก, กออกมาจากใจนั่นแหะใจนั่นแหะเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นต้นเหตุในเมื่อออกมาจากนั้นความไม่พอใจเกิดขึ้นกันไปให้กายออกมายกมา้ายกมื อ, อแล้วก็บวาจาก็พูดออกมาสรุปแล้วคื อ, คอใจของเรานะอไปสั่ง